วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพศ2539เป็นการบรรยายคำพีมหาประฐานโดยอาจารย์สุเพทพโทธิสัทธาท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพมหาประฐานด้วยปัจจัย24วันนี้จะอธิบายเริ่มด้วยปัจจัยที่14ที่มีชื่อว่าวิปา ก, กปปจัยท่านที่ฟังนั้นจะต้องใช้เอกสารถือติดมือไว้นะครับอสองชุดโดยมีชุด ที่สามที่เราจะถือคงจะถือวันนี้เป็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับตลอดชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่เป็นภาษาบาลีแปลที่แจกคราวที่แล้วนะฮะที่ซึ่งหัวข้อว่าปัฏฐานบาลีก็จะเป็นที่ที่สําหรับดูอ้างกลับไปในรายละเอียดบางอย่างที่ต้องการจะอ้างกลับไปถึงเอกสารปัฏฐานบาลีเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้สวดมนต์กันสาหรับผู้สวดคำวีมาปัฏฐานส่วน เอกสารชุด3นั้นเป็นอธิบายใจความโดยย่อซึ่งถอดออกมาจากปัฏฐานบาลีนั่นเองแล้วก็วันนี้ก็จะมีแสดงสาระถอดรูปของปัจจัย24่สิบสี่ซึ่งถ้าจะอธิบายวันนี้ทันก็คงจะเป็นช่วงหลัง เ, เราดูปัจจัยที่14ที่จะอธิบายต่อเป็นตัวเริ่มวันนี้นะครับวิปากับปัจจัยวิปากับปัจจัยปัจจัยคือผลกรรม วิบากันแปลว่าผลกรรมหรือแปลว่าผลกรรมเป็นปัจจัยหรือแปลว่าทำที่ผลกรรมเป็นปัจจัยแล้วข้อความหลังต่อจากนั้นนะฮะที่จริงควรจะมาขึ้นเป็นบรรทัดใหม่นี่นะครับเป็นบทอธิบายสั้นว่าวิบาก เจ้วิบากจิตเจตสิกเป็นที่อิงอาศัยแก่กันและให้เติมต่อไปว่าในขณะจิตเดียวกันในขณะจิตเดียวกันและต่อไปอีกนิดนึงว่าและรูปที่เกิดจากวิบากจิตเจตสิกขณะนั้นผมทวนอีกครั้งนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งวิบากกับปัจจัยนะครับที่แปลว่าปัจจัยคือผลกรรมหรือแปลว่าผลกรรมเป็นปัจจัยหรือแปลว่าธรรมที่มีผลกรรมเป็นปัจจัยและข้อความจากนั้นเป็นข้อความอธิบายความสังเกตคือวิบากจิตเจตสิกเป็นที่อิงอาศัย แล้วก็มีข้อความที่จะต้องเติมต่อไปคือในขณะจิตเดียวกันและรูปที่เกิดจากวิบากจิตเจตสิกขณะนั้นอ่ะนี่เป็นข้อความที่ขอให้เติมตรงนี้นะเราก็จะต้องเริ่มพูดกันถึงคําว่าวิบากในความหมายทางพระพิธรรมซะก่อนวิบากในพระสูตรหรือในพระไตรปิฎกนั้นท่า น, นจะหมายถึงผลของกรรมทั้งผลซึ่งเป็นดวงจิตและผลที่เป็นอารมณ์ที่เรารับรู้ร่างกายก็ถือว่าเป็นวิบากที่เรียกวิบากหมดอารมณ์ที่เรารับรู้สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราเสียไปโรภคภัยไข้เจ็บที่เราได้มาหรือ โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เกิดแก่บางคนหรือเกิดแก่บางคนเป็นส่วนเล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นวิบากทั้งนั้นเลยในใ น, ในพระสูตรพูดไม่กระเกณองคธรรมเป็นที่ชัดเจนแต่พอมาถึงพระวิธรรมเนี่ยคำว่าวิบากกําหนดความหมายเอาตามพยัญชนะพยัญชนะนี่แปลว่าผลอันวิเศษปากกาแปลว่าผลวิแปลว่าวิเศษวิบากจึงแปลว่าผลวิเศษเมื่อเรียกว่าแปลว่าผลวิเศษเนี่ย ก็เจอมีการจัดแยกแล้วก็เลือกรับเลือกปฏิเสธว่าอะไรเป็นผลวิเศษของกรรมคือเมื่อบุคคลทํากรรมดีกรรมชั่วแล้วมันจะมีผลปรากฏในอนาคตเร็วบ้างช้าบ้างอะไรเป็นผลวิเศษของกรรมท่านท่านมหมายถึงในทางหลักวิธรรม <c oughs> ท่านให้ถือเอาจิต ด, ดวงจิตคุณภาพพระดวงจิตที่เราได้จากกรรมเนี่ยนะเป็นผลวิเศษที่สุดของกรรมส่วนผลคือรูปประคันหรือร่างกายไม่ใช่ผลวิเศษท่านเรียกว่าปากะแปลว่าผลเฉยเฉยหรือเรียกโดยคํา ได้แต่ไม่ยอมให้เรียกการได้ทางรู ป, ปกายว่าเป็นวิบากเพราะไม่ใช่ผลวิเศษแล้วก็เรื่องอารมณ์กรรมภายนอกอารมณ์ภายนอกที่เราได้รับความสำเร็จเพราะการทําความดีหรือเสียหายเพราะทําความชั่วเนี่ยก็ไม่เรียกว่าเป็นผลวิเศษอันนี้เป็นการกเกณฑ์อย่างในทางความหมายทางศาสนาซึ่งตรงนี้อธิบายไม่ยากเพราะว่าผลภายนอกเนี่ยไม่ใช่ของวิเศษวิโสทางศาสนาอธิบายเรียบเรียงเป็นลําดับไปหลายอย่างแต่ยกตัวยอย่างอย่างหนึ่งว่าคนจะไปนี น่านได้ไม่จําเป็นต้องรวยก็ไปนิพานได้คนจะไปนิพานได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเื็นดิง้งก็ไปนิพานได้และจะไปนิพานได้บางทีต้องละสิ่งเหล่านี้อ่านี่เป็นเรื่องข้างนอกนะผู้แค่นี้เราเข้าใจใช่บางทีมันกลายเป็นมาห น, น, น, นึ่งข้างผลนิพานคุณสมบัติทางด้านอคติเฉลี่ภายนอกจะนี้มาถึงคุณสมบัติฝ่ายไหนคุณสมบัติฝ่ายในก็คือร่างกายก็เกิดจากกรรมได้จิตใจก็เกิดจากกรรมได้ระหว่างกายกับใจนั้นอะไรวิเศษกว่ากันทางอภิธรรมนั้นก็คัดเอาเฉพาะ การได้ทางคุณภาพจิตที่กรรมสร้างมาเนี่ยคุณภาพจิตที่ได้จากกรรมเป็นอย่างไรอย่างไรนะเป็นผลวิเศษแต่วิเศษตัวนี้นไม่ได้แปลว่าดีหมายถึงความสําคัญที่จะเป็นแกนาสารสาระในทางบวกทางลบของ schön. บุคคลผู้ได้ซึ่งก็หมายถึงคุณภาพชีวิตนะสูงก็เรียกว่าวิเศษซ้ำก็เรียกว่าวิเศษคือดวงจิตแต่ว่าไอ้คุณภาพของดวงจิตที่เรากําลังพูดเป็นความอายนะหรือเป็นความสําเร็จที่กรรมเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งไม่ได้หมายว่าว่าคุณภาพของดวงจิตนั้นจะสําเร็จ ได้โดยกรรมสร้างขึ้นแต่อย่างเดียวยังมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่มีผลต่อดวงจิตเช่นว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ให้สะอาดขึ้นอาการอย่างนั้นน่ะท่านไม่ถือว่าความบริสุทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธิหรือทำวิปัสสนาก็ดีมันเกิดจากความพยายามนะนะเกิดจากความพยายามก็เหมือนความร่ำรวยแหละครับถ้าอาจารย์นึกพอยันเล่าๆนะความร่ำรว ย, น, ยนี่เกิดจากกรรมกรรมทําให้รวยจากจากท้องพ่อท้องแม่ก็ได้และความพยายามทําให้ร่ำรวยก็ได้คนร่ำรวย ถึงร่ํารวยด้วยเหตุหลัก2 อ, อย่างเกิดจากความพยายามและเกิดจากกรรมความร่ํารวยฉันใดคุณภาพทางดวงจิตก็ฉันนั้นคุณภาพทางดวงจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมที่บุคคลสร้างไว้แล้วแต่อดีตเราก็จะนําคุณสมบัติทางดวงจิตมาให้ติดสันดานบุคคลนั้นมาจากท้องพ่อท้องแม่หรือติดสันดานตัวเองมาอา่นั่นเกิดจากกรรมนี่ผมเอย่างเล่าๆกีณีบุคคลนั้นเมื่อมาทําความดีหรือทําความชั่วต่อก็อขอให้นึกเป็นทั้งดีทั้งชั่วนะแต่ผมอาจจะยกเน้นไปในทางความดีความพยายามใดๆที่ บุคคลกระทําขึ้นเพื่อให้ได้ความดีความดีนั้นสําเร็จขึ้นด้วยความพยายามไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมแล้วนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่ากรรมก็แล้ก็มามีส่วนเป็นพื้นเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอนุเคราะห์เป็นเบื้องต้นเพื่อจ ะ, อะจะได้เป็นตัวขอบเป็นตัววางขอบเขตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความพยายามบุคคลนั้นว่าจะกระทําได้แค่ไหนนะเป็นว่าที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเราหมายเอาคุณภาพของจิต ที่เกิดขึ้นจากกรรมเรียกจิตเรียกคุณภาพจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมว่าวิบากเราหลับกรรมมันก็รักษาผลประโยชน์อันนี้ให้เราตื่นกรรมมันก็รักษาผลประโยชน์เราไม่ได้ทําอะไรมันก็รักษาผลประโยชน์เท่าที่กรรมทําไว้มันก็จะคงอยู่ตามมาอยู่ชั่วกับชั่วกันบอกไม่ชั่วกับชั่วกันอยู่ไปจนกว่ากรรมหมดคุณภาพชีวิตในส่วนนั้นก็เป็นอันแตกไปในที่ดังนั้นคําว่าวิบากที่พูดถึงในเรื่องของปัจจัย24เนี่ยหมายถึงกําลังพูดถึงขณะจิตวิบาศน์เยนะหมายถึงขณะจิต ที่เกิดขึ้นจากกรรมขนาดจิตหนึ่งๆเนี่ยครับมันจะมีกี่ขนาดก็ตามที่เกิดขึ้นจากกรรมถ้าจะพู่กันอย่างเป็นอย่างเราๆก่อนว่าเช่นอะไรจิตความรู้สึกอย่างไรจิตอย่างไรที่กรรมเป็นตัวสร้างมาผลิตมาตอบว่าปฏิสนธิจิตที่ยังลงที่เป็นตัวนําเกิดเป็นตัวปฏิสนธิยังเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทางศาสนาถือว่าสําคัญมากเพราะอะไรเพราะนี่มันคือพืชพันธุ์ของกรรมคนที่มีพืชพันธุ์ของกรรมดีแน่นอนครับโอกาสในการที่จะพัฒนาชีวิต พัฒนาจรียธรรมพัฒนาความสาเร็จใดๆจากพืชพันธุ์หรือจากต้นทุนที่กรรมเป็นผู้กำหนดมาให้มาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มากแต่ว่าถ้าเป็นพืชพันธุ์ที่เกิดจากกรรมที่มีกำลังอ่อนตัลกรรกาลังอ่อนหรือตละค ร, ระชีวิตของคนคนนั้นก็จะโน้มเอียงไปในทางต่ำ ทำความดีไม่ค่อยจะติดหรืออยู่เฉยๆมันก็ต่ำอยู่เป็นปกติเพราะกรรมมันทําให้ต่ําในทางสายเลือดของดวงจิตน ะ, ะทีนี้ไอดวงจิตที่มันเป็นวิบากจิตเนี่ยเราก็ตั้งหลักตัทถถวนมันมีเจตสิกประกอบเพราะว่าไอวิบากจิตวิบากจิตเนี่ยก็คือความรู้สึกใดๆที่เราเรียกว่าเจตสิกที่อยู่ในขณะจิตนั้นอันนี้ผมเขียนเป็นอย่างนี้เป็นภาพเก่าๆข้าขงนอกสมมุติว่าเป็นดวงจิตความจริงจิตมันไม่ได้มีข้างนอกขอา้างในมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันคลุก ป, ป, ปนกันจนไม่อาจจะเขาไม่พูด ก, กันด้วยการชี้หรือ พูดกันด้วยภาพเพราะภาพเนี่ยมันเป็นเพียงเป็นเพียงนั่งลานเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงเนี่ยเขาพูดกันที่ไหนพูดกันที่ลักษณะพูดกันที่ลักษณะซึ่งเราสามารถจะกําหนดรู้ได้ว่าไอ้ลักษณะตรงไหนเป็นเจตสิกลักษณะตรงไหนเป็นจิตลักษณะของความเป็นจิตก็คือการที่มันรับรู้อารมณ์อย่างที่ว่ามานะนั่นคือลักษณะของจิตทีนี้เราไม่พูดแค่นั้นแล้เราจะพูดรัดคามหาความเป็นวิบากว่าการที่จิตมันรับอารมณ์อย่างไรอย่างไร นี่แหละครับมันเป็นเครื่องแสดงอะไรครับแสดงวิบากแต่ว่าผมก็ต้องย้าสงวนไว้อีกทีหนึ่งว่าการที่ะระลับอารมณ์อะไรอะไรมันไม่ใช่วิบากทั้งหมดนะมันเกิดจากความพยายามก็ได้ของเราเองอะ่ะเวลาที่เราทําความเีอะไรแล้วก็สามารถที่จะไปนหน่วงเอาอารมณ์นั้นมาได้ความพยายามเป็นผลของความพยายามเป็นหลัก เหมือนกับความดีที่เราได้แต่ว่าถ้าเป็นกรรมแล้วเนี่ยเขาจะซัดอารมณ์มาให้คือเราจะบอกว่าจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวชักอารมณ์เข้ามาก็ดีหรือจะพูดว่าอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นจิตให้ปรากฏก็ดีพูดโดยสั้นๆที่สุดก็คือว่ากรรมให้ผลเนี่ยมันให้ผลทั้งภายนอกและภายในมาประสานกัน่าเราเทียบอย่างงี้ครับความเป็นเป็นจิตหรือเป็นรู้เป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากเป็นอกุศลวิบากถามว่าเจ็บเฉย เฉยโดยไม่รู้ว่าเจ็บเพราะอะไรอะไรทําให้เจ็บคืออารมณ์นะฮะมีไหมครับเจ็บเฉยๆแต่ไม่มีอารมณ์ไม่มีเลยเนี่ยเอาละถ้าบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับธรรมะอาจจะนึกว่าให้มีสิบประเภทเจ็บลมเจ็บลมๆแรงๆเจ็บลมๆแรงๆมันน่าจะเจ็บโดยไม่มีอารมณ์ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคนเรียนรับไปทำแล้วก็ ไม่สงสัยไม่สงสัยไม่ไม่เถียงเพราะว่าไอ้คาว่าลมๆแรงๆเนี่ยถามว่ามันเป็นอารมณ์ไหมมันเป็นอารมณ์เป็นสภาพของอารมณ์เป็นสภาพตีเรานึกคิดอย่างหนึ่งถูกไม่ถูกที่เรียกว่าล ม, ลมลๆแรงๆเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ว่าความเจ็บ คือจิตจะเจ็บขึ้นมาได้ต่อเมื่อมีอารมณ์ก็คือกรรมมันให้ผลสองส่วนให้ผลในทางอารมณ์และให้ผลในทางจิตมันจะหนักไปในทางไหนคำว่าหนักทางไหนเนี่ยหมายความว่าหนักไปในทางที่ว่าจิตน่ะเป็นหลักเป็นเจ้าเลือน เป็นตัวแสบไปหาเรื่องเจ็บใส่จิตหรือว่าอารมณ์เป็นตัวเราเป็นตัวกระตุน้นให้จิตเจ็บก็ตามน้ำหนักจะอยู่ทางไหนก็ล้วนแล้วแต่กรรมได้น้ำหนักอยู่ทางไหนเนี่ยมันก็หมายความว่านั่นคือความแรงของกรรมความแรงของกรรมเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ทําให้ไก้ความพอหมอะพอดีเนี่ยอ่าหนักไปในทางนั้นคือเรียกว่าอยู่เฉยเฉยมันก็เจ็บสิ่งที่ทําให้เจ็บมันก็มาถึงตัวนะ นี่คือน้าหนักมันอยู่ที่กำลังกำแรงแต่ถ้าหากว่ากำลังกำอ่อนหน่อยอก็คืออยู่เฉยเฉยไม่เจ็บแต่จะต้องไปทำนู่นทานี่ไปปรุงเหตุปรุงปัจจัยมาทําให้เจ็บมันก็เจ็บแต่ว่าใจย่างไรก็ตามนั่นคือวิบากรากฏทีนี้ไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงวิบา คือจิตนะะแล้วก็โยงกลับไปหากรรมที่ทําให้เกิดวิบากกรรมทําให้เกิดวิบากเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่เรียกว่าวิบากปัจจัยผมย้ำํำอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมทําให้เกิดวิบากไม่เรียกวิบากปัจจัยทีนี้ถ้าผมจะถามเป็นการทบทวนความหลังของกล่าวดินแล้วว่าวิบากกรรมทําให้เกิดวิบากอาการที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเนี่ยถามว่าเป็นปัจจัยอะไรที่พูดกลาวดีนแล้วเป็นปัจจัยอะไรครับ รู้สึกก็เกรงใจผมจังเป็นนานักคณิกากรร ม, มปัจจัยนะะเป็นนานักคณิกากรร ม, มปัจจัยไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของปัจจัยนี้แต่ว่าในเงื่อนไขของปัจจัยนี้เขาพูดถึงไอ้พลังของวิบากนั้นนั่นเองวิบากเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัววิบากเองมีพลังมีอำนาจอยู่โดยในตัวของมันเอง ถ้าถามว่าพลังอย่างไรน ะ, ะ mm hmm. ก็ตอบว่าพลังคือพลังของเจตสิกที่เกิดขึ้นจากกรรมใดมีพลังอย่างนั้นจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมใดมีพลังอย่างนั้นอย่างนั้นอธิบายว่ายังไงก็ตอบว่าการที่บุคคลเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันเหมือนกันมันเท่ากันไหม มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันการที่ที่ว่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่ก็คือว่ามันทุกเพราะเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มันมีรสชาติที่แตกต่างกันไอ้รสชาติละเนี่ยมันจะซึมเข้าไปถึงมันจะถ่ายไอ้รสชาติของกรรมเนี่ยไปยังเจตสิกอื่นๆซึ่งกันและกันแล้วก็ความไอ้ข้อนี้ถ้าเราพูดให้มันอย่างอย่างอฟังได้ง่ายๆหน่อยก็คือว่า ความรู้สึกความถนัดจัดเจนแนวโน้มที่เป็นไปเพราะกรร ม, มย้ำอีกครั้งหนึ่วว่าความรู้สึกนึกคิดใดๆที่ปรากฏขึ้นไปตามแนวโน้มของกรรมความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละเป็นพลังของวิบากปัจจัยเช่นว่าสัญญาของคนที่กรรมทำกรรมบางอย่างไว้จะมีลักษณะเช่นว่าคนบางคนเนี่ยทำไมจําเรื่องบางเรื่องได้เก่งจัง ทำไมเจ็บปวดกับความจำบางอย่างได้เก่งจังทำไมรู้สึกว่ามันชัดเจนกับไอ้ความเจ็บปวดบางอย่างได้เก่งจังเพราะอะไรเพราะสัญญานั้นสาเร็จขึ้นมาด้วยกรรมบางอย่างที่ผมพูดถึงที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องอกุศลแม้อากุศลก็เหมือนกันครับอาผมถาม่าคนบางคนมีศักยภาพในทางความจำในแต่ละเรื่องศักยภาพในทางความรู้ในแต่ละสาขาเนี่ย เหมือนกันไหมครับผมถามว่าคนที่จบด็อกเตอร์เนี่ยจำเป็นว่าต้องเก่งไปหมดเลยไม่จำเป็นทำไมล่ะครับเขาเก่งไปตามกรรมของเขานะฮะเขาจำแม่นไปตามกรรมของเขาที่เขาได้ทำไว้แต่อดีตแล้วก็ความรู้สึกเวทนาที่รู้มันเหมือนรู้สึกว่าเห็นค่าเนี่ยนะพูดอย่างง่ายๆนะเห็นค่ากับไอรสชาติของอารมณ์หรือการกระทาบางอย่างหรือ ไอความรู้สึกในบางอย่างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังของมันตามลักษณะมันจากสิ่งที่เป็นกรรมที่ตัวเองได้สะสมได้กระทำไว้เมื่อมาเกิดร่วมกันเนี่ยมันก็จะมาที่เราเรียกว่ามาต่อละคตดหรือมาสัมมยุทธ์กัน เป็นความรู้สึกถ้าพูดเป็นแบบรวมๆคือเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างไทยไอพลังของของของตัวของตัวเนี่ยออกมาในสายทางกรรมอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ละกรณีของกรรมแต่ละโอกาสแต่ถ้าพูดเป็นแบบกว้าง ๆ, ๆ, ๆก็คือว่าเป็นแนวโน้มหลักๆนี่เราพูดถึงกรรมหลักนะฮะแนวโน้มหลักๆเช่นว่าบางคนเขาเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมคนนี้นะถึงพึงใจกับสิ่งนี้เหลือเกินทำไมถึงจำเรื่องพวกนี้ได้ดีเหลือเกินทำไมถึงคิดอ่านเรื่องพวกนี้ได้ดีเหลือเกินบางคนก็เรื่องศิละปะบางคนก็ว่าธรรมะแต่าชาวธรรมะนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆทั้งดีทั้งชั่วไ อ, ไอ้ความรู้สึกนึกคิดใดๆ ในส่วนที่เราเป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้ปรุงแต่งมันขึ้นด้วยความพยายามแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันจําอย่างนั้นอย่างนี้แนวโน้มไปทางนั้นทางนี้นะ่ะเป็นพลังของวิบากปัจจัยที่เราสะสมไว้และเมื่อทําให้วิบากจิตปรากฏขึ้นทั้งดวงเจตสิกในดวงนั้นทั้งดวงจะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน ตามลักษณะของเจตสิกตัวนั้นผมอาจจะพูดตรงนี้เป็นหลักเป็นคํากว้างแต่ว่าคนที่เรียนพระวิชาคุ้นคุ้อยู่แล้วจะนึกได้รอบรอบตัวไม่ต้องไล่เจตสิกแต่ละตัวและไม่จําเป็นต้องยกตัวอย่างไปทุกๆ ก, ก, กรณีกับเจตเจตสิกทุกทุ ก, ท ก, ท ก, ทกดวงอา่าคราวนี้อันนี้ผมว่าถึงในในวิพลังวิบากที่มันถ่ายอํานาจอยู่ในดวงจิตของมันเองนะฮะ ที่มันแสดงออกมาให้เราได้รู้ในทางปฏิกริยาบุคลิกลักษณะความสุขความทุกขุณค่าที่แต่ละคนตีค่าให้กับชีวิตสาระอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างเนี่ยทั้งดีทั้งชั่วมันจะอยู่ในนี้าการนี้มามองอีกจุดหนึ่งที่ผมให้เติมเมื่อกี้ว่าและรูปที่เกิดจากวิบากจิตเจตสิกขณะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นวิบาปจัยเหมือนกัน คือวิบากจิตเนี่ยเมื่อมันรู้สึกอย่างไรอย่างแลลแล้วนะครับมันมีผลต่อมันมีมีอำนาจกำกับความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของกายผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิบากจิตสําแดงพลังถ่ายพลังแก่กันและกันในขณะจิตด้วยในขณะเจจะสิ่งที่เกิดร่วมกันด้วยและ ถ่ายพลังหรือสแสดงพลังออกมาสู่กายการเคลื่อนไหวทางกายภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนนอนหลับเนี่ยมันฟ้องวิบากเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะละเอียดเราอาจจะมองเห็นไม่ได้ครบทั่วนเช่นว่าบางคนทำไมถึงชอบนอนคว่ำนอนง่ายนอนกุดกูด้นอนอย่างงีอย่างงี้นะและที่ผมชอบดูอันหนึ่งก็คือเวลานั่งรถบางทีก็นั่งรถเมล์กรุงเทพเนี่ยครับ บางคนชอบหลับบางทีก็ไปตามตายเยว่าก็ไอ้นี่ก็หลับเยอะหน่อยครับและพฤติกรรมทางการหลับของคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหลับยืนกับพระเข้าสมาบัตินี่ฮนะ่ะแข็งนั่งแข็งเลยหลับแบบหน้ายิ้มยิ้มโ อ, อ้โหนี่ถ้าถึงคราวตายตายจะดีเอตายนะเบิกบานแต่ว่าบางคนเนี่ยครับพนานๆเจอทีซึ่งก็ไม่ใช่วังยากเย็นอะไร คราวหนึ่งไปเจอสาวคนหนึ่งแกนั่งรถปรับอากาศอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดียวข้างหน้านะเรานั่งอยู่ฝั่งอีกมุมหนึ่งเราก็เห็นชัดเห็นแล้วก็เสียววับวับวเพราะอะไรรู้ไหมเวลาแกหลับเนี่ยไ อ, บอ้บาะหนุนเขามีรับหัวอยู่แกไม่หนุนหรอกมึงคงตั้งใจหนุนแต่หนุนไม่ติดพอทักพักเดี๋ยวก็เอ็นเอ็มาเนี่ยแล้วก็หัวจะทิ่มโดนกระโปรงเครื่องอะนะ ทำท่าจะทิมแต่ไม่ถึงจทิมนะถ้าทิมเนะี่ยคงจะแย่หน่อยนะนี่ก็วิบากคงพอสมควรอยู่แล้วก็ชักหัวกลับแล้วก็หลุดออกมาอีกแล้วทำท่าเหมือนจะทิมจะทิมแม้แต่คนนอนกลนเนี่ครับมันฟ้องกรรมมันฟ้องกรรมเลยแล้วผมเห็นแล้วเคยนึกแอบสันนิษฐานแล้วก็พอมาคุ้นเคยกันแล้วไม่ผิดจริงๆเพราะบางคนเนะี่ยกลนได้อาการเหมือนสัตว์ถูกทรมานนะถูกถูกทรมานเคยเห็นหม กุ้นทุรนทุลายอะนะไอ้เราก็มองแล้วก็นื้ว่าเออคนนี้เนี่ยเขาไปน่าจะไปทําอะไรนะอเอาเข้าจริงเนี่ยครับคนนั้นน่ะแม้พูดแล้วเดี๋ยวมันจะว่าอาจจะกระทบกระเทือนสถาบันบางสถาบันนะเอาเป็นว่าอย่างงี้ก็เอาเราเราว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งสัตว์สองขาสัตว์มากกว่าสองขา มาตั้งแต่รุ่นมันก็เลยมเป็นไอเหมือนวิบากนะที่ติดบุคลิกแม้นอนหลับแล้วยังกระเสือกกระสนทำให้พฤติกรรมจิตตะชรูปเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีปฏิสนธิจิตที่ดีๆเนี่ยนะฮมันจึงเหมือนชุบเลี้ยงสรีระในส่วนรายละเอียด เ, เช่นว่า เวลาเราหายใจเนี่ยมันก็คือหายใจเป็นจิตตจะรูปอันหนึ่งวิบากจิตก็สั่งให้หายใจขณะเตื่นก็ที่ไม่ใช่วิบากจิตก็ทำให้หายใจไอตอนที่เราปรากฏจิตที่เป็นบุญเป็นบาปใหม่และไม่ใช่วิบากก็หายใจแต่บางทีมันก็มีร่องรอยวิบากแต่พูดได้ว่าในขณะที่คนนอนหลับหรืออยู่ตอนตื่นแต่ว่าจิตเมื่อลงวาระเป็นวิบากเนี่ยการหายใจก็ดีการเต้นของหัวใจก็ดี และอะไรต่อมาอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวภายในมันสะท้อนออกมาจากสภาพที่ตัววิบากจิตมันสะสมอะไรไว้สะสมในความจริงก็คือมันเป็นผลของการสะสมที่กำลังสแสดงออกแล้วทำให้คนนั้นมีความผาเช่นว่าบางคนเนี่ยร้อนในได้ทุกวันไม่รู้เป็นไรร้อนในได้ทุกวันนะร้อนมากร้อนน้อย คือคล้ายๆว่าชีวิตเขาเหมือนอยู่ด้วยความทุรนทุรายมองดูก็ธรรมดาไม่ได้เจ็บไม่ป่วยอะไรนี่นะแต่ว่าไอ้ข้างในในตัวเองรู้สึกว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนให้มันเย็นสบายเป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาหลับก็ทุรนทุรายในพูดถึงว่าในความรู้สึกภายในเนี่ยนะนั่นแหละครับคือพลังการแสดงออกในชั้นละเอียด ของวิบากจิตที่ปรากฏออกมาแม้กระทั่งบังคับกายให้เคลื่อนไหวก็ยังสำแดงลักษณะโทษออกมาตามบุญตามบาปที่ตัวได้ทำไว้แต่ครั้งลงมือเป็นกรรมและเมื่อเสวยวิบากก็เป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เราได้นึกว่าเออตัวเราเนี่ยนะทำอะไรอะไรไวเนะี่ยมันเป็นอุณหภูมิของชีวิตในดวงจิตแล้วก็สภาพความเป็นไป เป็นพื้นฐานเดิมในชั้นกรรมอยู่แล้วที่เราวเสวยเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเป็นวิบากปัจจัยที่ท่านหมายถึงในทีน่นี้ผมจะอธิบายในส่วนหลักๆเพียงเท่านี้แล้วก็จะเลยไปถึงปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยที่สิบห้าปัจจัยที่สิบห้าชื่อว่าอาหารับปัจจัยอาหารับปัจจัยนั้น เราแปลว่าปัจจัยคืออาหารอาหารเป็นปัจจัยก็ดีหรือทมที่เกิดจากอาหารเป็นปัจจัยก็ดีอาหารแปลว่านำมาซึ่งผลของตนนำมาซึ่งผลของตนและอาหารในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ารูปอาหารเป็นเครื่องอุดหนุนแก่ร่างกายคืออาหารราชรูปคือร่างกายที่ที่ได้รับการซ่อมแซมบำรุงจากอาหารเรียกว่าอาหารรชรูป ก็คือร่างกายเนี่ยครับในส่วนที่ที่อาหารเข้าไปบำรุงอุดหนุนไอ้ตรงนี้นะเข้าใจง่ายแหละเรื่องรูปอาหารอาหารอีกอย่างหนึ่งคือนามะอาหารนามะอาหารนั้นมีสามในนี้ต้องแก้ไขหน่อยครับได้แก่ผัจจัเจตนาวิญญาณที่เรียกว่าผัสจอาหารเจตนาอาหารวิญญาณอาหาร รวมแล้วเป็นอรูปอาหารหรืนามอาหารสามอย่างเป็นสหาชาติสหาชาติหมายถึงเกิดร่วมเป็นปัจจัยยังเกิดร่วมแก่นามากายคือเจตสิกและแก่รูปที่เกิดจากอารูปอาหารทั้งสามนั้นอุดหนุนให้เกิดตรงนี้เป็นอาการที่อธิบายอย่าง ที่อธิบายเรื่องวิบากนั่นเองนะครับแต่เพียงว่าอาหารที่เป็นฝ่ายอรูปอาหารเนี่ยท่านกล่าวว่าผัสสะคือการกระทบอารมณ์ของเจตสิกตัวนี้หรืออาหารตัวนี้นํามาซึ่งเวทนาคือความรู้สึกและเจตนาคือความจงใจซึ่งเป็นเจตนาอาหารนํามาซึ่งพฤติกรรม พุทธิคือความจงใจนะฮะพุทธเวลาเราตั้งใจเนี่ยทําให้เกิดพฤติกรรมตามที่เราตั้งใจอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็นํามาซึ่งวิบากกรรมอีกอันหนึ่งเพราะว่าเจตนานั้นมีฐานะเป็นกรรมด้วยไปสอดคล้องกันกันกบนานักกติกากรร ม, มปัจจัยส่วนวิญญาณนาหานั้นนํามาซึ่งนามรูปนํามาซึ่งนามรูปก็คือเจตสิกอื่น ที่เกิดร่วมกับตัวเองแล้วก็รูปที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณอย่างเช่นวันในขณะที่เร า, เาปฏิสนธิจิตอย่างลงเนี่ยขณะไปสนธิจิตอย่างลงนั้นวิญญาณเป็นตัวปฏิสนธิก็เป็นตัวประมวลเจตสิกคือความรู้ประมวลคุณสมบัติที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆลงสู่การปฏิสนธิด้วยและนํามาซึ่งรูป คือกรรมมัรูปอันได้แก่กรารละลูกที่ปรากฏเกิดขึ้นในครั้งแรกเป็นตัวทำให้ให้สัมภวสธาตุของวิดามานดานกลายเป็นอัตภาพของมลของตัวเจ้าของวิญญาณนั้นขึ้นมาอธิบายอย่างนี้นะ เ, เพราะฉะนั้นความเป็นอรูปอาหารเนี่ยโดยหลักแล้วก็ไปสอดคล้อง ก, กันกับปัจจัยตัวอื่นอย่างเช่นเหตุปัจจัยอย่างที่เราเคยพูดแล้วคล้ายๆอย่างนั้น นี่เป็นเรื่องของนามาอาหารตวอย่างผมขอผ่านเลยตรงนี้ไปนะครับไปดูปัจใจอีกปัจใจหนึ่งชื่อว่าอินตริยะปั จ, จัยซึ่งเป็นปัจใจที่สิบหกอินตริยปัจใจหรือปัจใจคืออินสีอินสีในที่ท่านหมายถึงข้อธรรมที่ท่านเรียกว่าอินสี ธรรมะที่ปรากฏในข้อธรรมที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ผลอันใดเป็นปัจจัยแก่ธรรมอื่นอันใดธรรมอื่นอันนั้นชื่อว่ามีอินทรีย์เป็นปัจจัยให้ทีนี้ในนี้เนี่ยเราดูที่เขียนว่าหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเนี่ยหมายถึงตามบาลีนิเทศหรือตาม อ่าบทสวด น, นะบทสวดเราพลิกไปดูปัจจัยที่สิบหกเนี่ยครับเราก็จะเห็นมีข้อหนึ่งเล็กๆเนี่ยนะครับข้อหนึ่งถึงข้อห้ า, าที่ขึ้นว่าจากขุนทริยังจนกระทั่งถึงกายยินทริยังจากขุนทริยังโสตินทริยังเป็นต้นจนกระทั่งถึงกายก็คือประสาทนั่นเองครับก็หมายความว่าประสาทห้าเนี่ยมีฐานะเป็นอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในการพอให้เกิดการเห็นคือจักขุนสีเป็นใหญ่ในการได้ยินในการรับฟังเสียงก็คือโสตินรีมันก็คือวัตถุนั่นเองอะคือวัตถุปัจจัยที่เราเคยพูดถึงแล้วอินรีคือจักสุเป็นอินทริยปัจจัยแก่จักสุวิญญาณประสาตาเป็น ที่อาศัยเกิดของจากตัววิญญาณและเราจะเคยได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความในวินัยอันหนึ่งกับข้อความในในศีลของผู้ปฏิบัติกรรมฐานอันหนึ่งเราจะได้ยินคําว่าสํารวมในอินทรีย์คาว่าสํารวมในอินทรีย์เนี่ยหมายถึงผมถามนะ ว่าหมายถึงสัมรวมลูกตาหรือสัมรวมจักสู่วิญญาณอทําให้สัมรวมลูกตาประ ด, ดูนู่นดนี่ก็แล้วบากฉันสัมรวมจักสูวิญญาณฉันไม่สัรวมลูกตากจริงๆก็คือสัมรวมสองอย่างนะฮะสัมรวมสองอย่างและคําว่าสัมรวมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ดูดูนิดหน่อยหรือดูเยอะๆก็ได้แต่ให้แอบๆดูอย่าดูให้ไปเจอไปเจอคนอื่นก็เห็น หรือไม่ดูอะไรเลยหลับตาปีชื่อชื่อว่าสำรวมอาอาการภายนอกเนี่ยจะอย่างไรอย่างไรที่ว่ามาเนี่ยมันมีถูกมีผิดหมดนะไอ้ที่เอาผมยกตัวอย่างมีถูกมีผิดหมดว่าการไม่ดูในบางครั้งก็ถูกการไม่ดูโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยก็ผิดดพระพุทธเจ้าคัดค้านไวในอินเดียภาวนาสูตรชัดเจนเนี่ยเช่นบอกว่า เออเดี๋ยวเราจะเดินออกนอกประตูบ้านหน่อยหลับตาเดิมเดินไม่ได้อย่ามาอัางสำรวจมีดีอะไรก็ไม่ได้หรือจะดูมากดูน้อยไอ้ดูมากบางอย่างก็ถูกดูดูมากบางทีก็ผิดมันมีสิ่งที่จะต้องอธิบายลองรับเป็นหลายอย่างเพราะนั้นตรงนั้นจึงไม่ใช่สาระที่แท้จริงอาจจะเป็นอย่างไรหรือไม่อย่างไรแล้วแต่เหตุผล แต่สาระที่แท้จริงนั้นคือเมื่อเห็นรูปที่ตาพูดใ ห, ให้ให้เต็มที่ืเมื่อจักสูวิญญาณเห็นรูปที่ประสาตานี่อินทรีย์งตาปรากฏให้ดูด้วยสตินั่นเองแต่ถามว่าดูด้วยสติดูคืออย่าไปขยายความนี่พูดอย่างปฏิบัติ ร, รมนะอย่าไปขยายความเกินขอบเขตที่ต้องการ หรือเกินขอบเขตที่เป็นประโยชน์ไอ้ที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็อย่าปขยายอที่ท่านเรียกว่านิมิตอนุพไธยนชนะให้ไปถึงเขตนั้นนี่คือลักษณะของการสำรวจในทางการทําใจอยู่ข้างในลึกๆก็ไปทําทางตาเพราะฉะนั้นประสาทตาเนี่ยถึงถือว่าเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในกิจการเห็นรูปราลม และเพราะบุกเพราะจักษุวิญญาณมาเห็นรูปได้ดีตาระหว่างตากับจักษูประสาทใครเป็นอินทริยะปัจจัยแก่ใครอตอบสิจักษูประสาทกับจักษุวิญญาณใครเป็นอินทรียะปัจจัยแก่ใครตอบว่าจักษูประสาทเป็นอินทรียะปัจจัยแก่จักษุวิญ ญ, ญาณตำรับในที่นี้นะครับ เพราะว่าตาจาักษุวิญญาณเห็นรูปได้เพราะอาศัยจักษุเป็นปัจจัยจึงกล่าวว่าบาลีจึงกล่าวว่าจากักขุนตริยังจกักกูวิญญาณต า, ธาตุยาตังสมิตรกานันจะธรรมานางังอินตริยปัจเจเนนปัจปจโยแปลว่าจากักษุจกักขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จักษุวิญญาณและธรรม อันสัมยุญด้วยจักรสุวิญญาณ น, นั้นโดยอินทริยะปัจจัยถามว่าทำที่สัมยุญกับจักรสุวิญญาณ น, นั้นคืออะไรก็คือเจตสิกนะครับเวลาตาเห็นความรู้สึกใดๆที่ปรากฏที่ตาเป็นเจตสิกจักรสุประสาสตเป็นอินทรีย์ปัจจัยแก่จักรสุวิญญาณและเจตสิกที่ประกอบ อยู่ในจักรสู่วิญญาณนั้นนี่เป็นอินเตริยาปัจจัยแม้ทางหูแม้ทางจมูกแม้ทางลิ้นแม้ทางกายเหมือนกันอันนี้มาถึงอินทรีย์อีกอย่าง อ, อผมผมย้ำทางคาเข้าใจข้อเมื่อกี้ในะวันหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึห้าคือในอินเตริยปัจจัยเนี่ยว่าหนึ่งคือจกขุนจริยังเป็นต้นเนี่ยนะครับ อบอกว่าเหมือนกับนิสยปัจจัยในข้อหกถึงข้อสิบคือในข้อหถึงข้อสิบนะพูดว่าข้อหกของนิสยปัจจัยถ้าย้อนกลับไปดูนะก็จะพูดว่าจักษุเป็นปัจจัยแก่จักษุวิญญาณก็ในสภาพเดียวกันเพียงแต่ว่านิสยาปัจจัยเนี่ยกล่าวในฐานะว่าเป็นที่อาศัยแต่อินเดียปัจจัยนะั้นกล่าวในฐานะที่เป็นใหญ่ เป็นใหญ่สิทธขาดในเรื่องการเห็นผู้รับใช้ในการดูรูปแก่จากสู่วิญญาณเนี่ยจากสู่ประสาทเป็นเจ้าของกิจการเรื่องนี้อันนี้มาถึงอินทรีย์อย่างหนึ่งคือรูปชีวิตอินทรีย์เป็นอุปการะแก่กรร ม, มชรูปทั้งปวงกรร ม, มชรูปคือรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมในร่างกายอะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งอโดยมากเราก็พูดกันเป็นส่วนยห ญ, ห ญ, หญ่แต่ว่าในทางหลักธรร ม, มะเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่โน่นเป็นเพียงชั้นนอก แต่ว่าชั้นไหนก็คือหน่วยรูปเล็กๆลักษณะรูปที่ปรากฏอยู่ทั่วตัวที่เกิดขึ้นจากกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นจากกรรมแล้วจะมีรูประชีวิตเป็นตัวรักษาที่เราเรียกว่ามีชีวิตนะะมีชีวิตอย่างร่างกายเนี่ยมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยคนตายปุ๊บร่างกายก็จะแตกต่างกับคนเป็นทันที ในขณะที่ยังเป็นอยู่และสภาพร่างกายที่เป็นอย่างเมื่อจะมีชีวิตเป็นเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวรักษาความเป็นอันนั้นความจริงร่างกายมันก็สายเหตุอปัจจัยหลายอย่างแต่ในแง่ของความเป็นที่ไม่ใช่ภาวะของความตายอย่างเช่นเวลาตายไปแล้วเราเอายากันเน่ามาฉีดไม่ให้เน่าถามว่าเอายากันเน่ามาฉีดศพเนี่ย ทำให้ร่างกายนั้นเป็นเหมือนอย่างตอนไม่ตาย ไ, ม, ไม่เหมือนใช่ไหมในตอนไม่ตายเนี่ยมันมีอะไรพิเศษบางอย่างซึ่งอนตรงนี้เป็นเรื่องลึกหน่อยในทางการรับรู้เราก็รู้แต่ผลปรากฏแต่ว่าไม่ได้นึกว่าจะมีสภาวะอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะาเบาอ่อนควรอย่ามีความยืดหยุ่นอย่างสภาพของคนเป็นก็ตอบว่า สิ่งนั้นคือชีวิตตินสีชีวิตดินสีหรือชีวิตตรูปนั่นเองโดยโรูปเลยชีวิตตรูปเนื่องจากวิชิตตรูปนั้นเป็นใหญ่ในการรักษารูปที่เกิดจากกรรมให้มีสภาพของความเป็นอย่างสัตว์ที่ยังไม่ตายรูปชีวิตที่เป็นตัวชูเปลี่ยงกรรมมารูปนั้นท่านจึงเรียกว่ารูปชีวิตตินสี พอเป็นกิจรักษาของรูปนี้เพียงอย่างเดียวออซึ่งตรงนี้นะออถ้าพูดถึงว่ากรณีของพระที่ท่านปฏิบัติทางจิตแล้วก็กาหนดรู้แจ้งรูปนามเนี่ยท่านถึงรู้ว่าท่านจะตายเมื่อไหรแล้วก็ธาตุจะแตกเมื่อไหรกําลังชีวิตะรูปอ่อนลงไปท่านรู้จากลักษณะเนี่ยนะอ่อนลงไปนี่ใกล้ตายแล้วธาตุจะแตกแล้ว แล้วก็สภาพความเปลี่ยนของร่างกายในทางลึกๆเนี่ยท่านสามารถที่จะกำหนดได้คน เ, เป็นผู้ปัจเจริญสติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถรู้ได้ครับแม่พวกทำวิปัสนากรรมฐานอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราไปไปกราบศพพระองค์หนึ่งท่านพระครูภาวนากิติความจริงผมก็เคยรู้จักกับท่านครั้งเดียวนะครับเมื่อปีสามสิบเอ็ดหรือสาสองเนี่ยตอนหลังท่านก็มรณภาพไป นีท่านก็ไม่ใช่เป็นพระอวิญญาพระในทางขลังนะเป็นพระที่เล่นเรื่องวิปัสนาอย่างเดียวเลยครับทั้งสอนและทั้งปฏิบัติเองพอถึงเวลาสอบประลมท่านก็ออกมาจากที่ปฏิบัติมาสอบประลมเราไง น, นะเสร็จภารากิจแล้วท่านก็เข้าไปสู่การปฏิบัติของท่านซึงนับว่ า, าการณีนี้ค่อก็คงจะหายากหน่อยที่อาจารย์ปฏิบัติไปกับโยคีด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันในเวลา ที่จำเป็นเหมือนอย่างสมัยก่อนทีนี้ที่ที่ที่เราว่าน้าทึ่งเหมือนอย่างพระอนอื่นที่เราเคยได้ยินมาคือว่าท่านรู้ว่าท่านจะตายจะมรณภาพล่วงหน้าตั้งแต่รู้ว่าจะใกล้จะเสียชีวิตแล้วไม่นานแล้ ว, ลวก็เมื่อป่วยอยู่ก็รู้ว่าจะต้องไปแล้วจะตายแล้วทีนี้ไอ้ยังเราเล่าบงทีก็พอรู้ หลายหลายคนเนี่ยรู้บางทีรู้จากว่าอ้าวคนนั้นมารับคนนี้มารั บ, รบแล้วนะจะไปแล้วเหมือนอย่างคาติญาติเราก็คงมีนะอันนี้ก็ไปถือเป็นอันหนึ่งเพราะเขาจะจ ะ, จะต้องเอาไปแล้วแต่ว่าบางทีไม่แน่ล่ะครับเขาจะมาเอาไปบางทีเรารั่วยังเอาไปไม่ได้เรายังไม่ยอมไปอะไรก็แล้วตามเถอนะก็คือดูเข้ามาถึงที่เขาเรียกว่าอายุสังขาร ในอยูคต่างๆสมัยก่อนอย่างเช่นสันสตีมหาหมาดเนี่ยพอบรรลุอรหันต์ปากยังไม่ซีงกลิ่นเหล้าเลยเนี่ยนะเพราะว่าเมามาฟังธรรมะมาฟังธรรมได้ความเมาแหมผมว่าอย่าได้ดูถูกพวกนี้ใช่ครับดีไม่ดีบรรลุก่อนพวกมาดีๆเย่นี้นะพอบรรลุแล้วเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยทุกคนทุกองค์เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสุขขาววิปัสสโกไม่ว่าจะเป็นชาลาพีจะ พิจารนาว่าอายุสังขารเราเหลือนานไหมเพราะอะไรถึงต้องรู้อย่างนี้บรรลุมอะไหร่ก็ต้องรู้ต้องกำหนดนะสมหไม่เพราะว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นครือขันเรื่องใหญ่คือถ้าไม่ดูเนี่ยก็อาจจะละเลยภารกิจบางอย่างตามธรรมชาติพระาหลานคือถ้าเป็นคารวาคลองเรือบรอรลุหลานแล้วต้องบวชบวชทันทีนะครับทันทีก็เท่าที่สามารถ หาอุปชาได้นะบวชเลยไม่ต้องรอให้ถึงเกณฑ์วันเราไม่มีการเลี่ยงวินยัยไม่มีการเลี่ยงกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านก็จะพยยิจารณาพอรู้ว่าโอ้อายุสังขารเราใกล้จะหมดท่านก็จะไม่บวชตายในในพระขาวถ้ารูา้อายุยังเหลือท่านก็บวชแล้วตายในพระเหลือ ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาที่จะตายเนี่ยท่านก็นจะสามารถกำหนดได้ถึงความเหี่ยวเฉาไปของชีวิตตะรูปที่มันชุบเลียงอัตภาพเราไว้เนี่ยนี่คืออำนาจของชีวิตตะรูปทีนี้มาถึงอรูปอรูปอินทรีย์อีกแปดอ่าผมจะฉายภาพสรุปให้ดูเป็นแผ่นใสอาหารสี่ พลังของอาหารสี่ที่เรียกว่าเป็นอาหารปัจจัยอพูดถึงกับ ว, ว่าลิงกาอาหารอาหารที่เป็นรูป อ, อ๋อขอโทษเอะนี่ไม่ใช่อาหารอินทรียนะอินทรียเขาเรียงไว้ข้างบนเนาะอินรียอินรีย์อินที่เป็นอินทริยปัจจัยที่พูดไปแล้วหกอินทรีย์เนี่ยเป็นอินทรีย์รูปตาก็เป็นรูปปรัสาตาชีวิตแต่รูปก็เป็นรูปกร น, นี้มีอินทรีย์อีกส่วนหนึ่ง แอินทรีย์เรียกว่าเป็นอินทรีย์นามเรียกว่าอรูปบ้างข้างบนนี่เป็นรูปอินทรีย์นะเติมอินทริยรูปอินทรีย์รูปหกอินทรีย์นามแปดอินทรีย์นามแปดในจิตก็เป็นอินทรีย์ ฉ, ฉันเรียกว่ามันอินทรีย์อะแปลว่าเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์เป็นใหญ่ในการรับอารมณ์ก็พูดอย่างเป็นเรื่องภาระอันหนึ่งของสภาวธรรม เพราะว่าเสื้อไอ้ตรงนี้เราเนือ่องจากว่าเรามีจิตมีอะไรมันทํางานอยู่จนทั้งเราชินไม่เห็นพลังไม่เห็นอานาจความจริงการที่เรารับรู้อารมณ์ได้นี่ยมันอัศจรรย์มากนะใช่ไหมนึกคิดอะไรได้เนยแล้วยังนึกละเอียดนึกซอกแซ่บพัฒนาความนึกคิดพัฒนาจิตอีกนับาเรื่องอัศจรรย์มากเรามันนึกถึงคนตาถ้าสมเราไปเห็นคนตาบอดคนหูหนวกเนี่ยเรานึกว่าเออถ้าเราตาบอดหูหนวกเนี่ย เราคงจะรู้สึกว่าไอ้ตาดีเนี่ยมันมันไม่เห็นจำเป็นไม่เห็นมีอะไรนะเราเนี้เรานึกแทนเขาจะนึกอย่างเรารู้เปล่าไหมาลูแล้วก็อาจจะนึกว่าแมมคนนี่เห็นรูปได้ยังไงนะเห็นได้ยังไงนะเห็นเป็นยังไงนะก็ชวนให้สงสัยไปอีกเป็นนันมากมันเราถึงนึงกว่าเอะมันน่าจะมีประสาทอีกสักห ล, หลายหลายประสาทความสามารถในดานรับรู้เนี่ยนะที่เรานึกว่ามันคงจะตันแล้วเนี่ย ตันว่าเออเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะเราก็รู้แต่ว่ารูปเสียงกยลิ่นรสโปรพีนทำมาล้มประสาทที่แปดประสาทที่เก้ามันไม่น่าจะมีเราก็คิดเป็นแบบคนตาบอดคิดว่าไอ้ความตาดีเห็นรูปได้มันไม่น่าจะมีก็คิดไปอย่างนั้นหรือพวกสัตว์ที่เดรฉานที่ประสาทไม่สมบูรณ์ประสาทบกพร่องเนี่ยนะ ก็บางพวกก็ปภาษาจมูกไม่มีนะฮะหรือภาษาทอื่นไม่มีแล้วแต่พันุ์แล้วแต่พวก mm hmm. เขาก็คงจะมีขอบเขตขงการรับรู้อยู่แค่นั้น mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีจิตลั้วลมนี่เป็นการใหญ่เป็นภาระใหญ่ของจิตจิตนั้นจึงเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในการรั้วลมนี้ mm hmm. แล้วก็เวทนา เจตสิกนั้นมันอยู่ในส่วนของอินทรีย์ที่เรียกว่าสมมานัตสินสีโทมนัตสินสีทุกขินสีสุขขินสีเราคงจะเคยได้ยินนะแต่ว่าเป็นเจตสิกแลัธนัตเป็นตัวเดียวคือเวทนาเจตสิกที่มีอาการเป็นห้าอย่างสุขทางกายเรียกว่าสุขสุขทางใจเรียกสมมนัตทุกทางกายเรียกทุก ทุกขังใจเรียกโทมนัสแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกทั้งทางกายและทางใจเรียกรวมกันได้บางทีเรียกเรียกอาทุกขมสุขนอุเบกขาตอาทุกขมสุขเนี่ ย, ยรวมทั้ง ทางกายและทางใจ่างกายควาหมายถึงตาหูจมูกอะไรนะความรู้สึกสเสวยลดของอารมณ์ได้แล้วเราคิดว่ามันมันมีอะไรหรือไม่มีอะไรไอ้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้มันสําคัญไหมมันสําคัญไม่สําคัญนะถ้าสมมุติว่าเราเกิดไม่มีเวทนาอะไรเลยเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะขนาดมีความรู้สึกเฉยเฉยนี่ยังรู้สึกว่าแหมมันก็สูญเสียผลประโยชน์มีใหญ่น้อยแล้วคือกินด้วยความรู้สึกเฉยเฉย ฟังด้วยความรึกเฉยๆในความรู้สึกระดับอย่างเราๆเนี่ยนะแต่ ว, ว่าพวกทำฌานทางสมาธิเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าของความรู้สึกเฉยๆเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นใหญ่ในการสวยรดของอารมณ์อนนไอ้ตัวนี้มันเหมือนลิ้นของใจเรานึกถึงว่าถ้าเราเนี่ยกินอาหารโดยที่เราไม่มีลิ้นอาหารนี่แทบจะหมดความหมายเลยใช่ไหมสมมติว่าเราไม่มีลิ้นนะเราจะเลือกว่ า, าจะไปกินที่นั่นกินที่นี่ถ้าไม่เอาเหตุผลทางโภชนาการมาเลือก เรากวคงยังไม่เลือกก็ไม่มีความหมายอะไรต่อไปพละธรรมหานี่เป็นอินทรีย์ที่เกี่ยวกับเป็นพลังของความเจริญในธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเรียกเป็นเป็นชื่อของอินทรีย์ก็จะเรียกว่าสัตธินทรีย์วิริยนินทรีย์สมาธินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์ถ้าเรียกว่าพละก็จะเรียกว่าศรัทธาพละ จนถึงปัญญาภละเป็นสภาวะธรรมอันเดียวกันเรียกเป็นสองชื่อในนี้ก็ต้องการจะกำหดให้ไม่เรียกว่าอินทรีย์ธรรมห้าเพราะกลัวจะไปตีหัวก็ก็เลยเอาชื่ออื่นมาใช้แทนให้นึกได้ mm hmm. ก็คือภะละนั่นแหละอันศรัทธาพวกนี้เป็นอินทรีย์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพูดง่ายนะอินทรีย์บางตัวเนี่ยอย่างประสาทหาเนี่ยเกี่ยวกับการรับรู้ประสาทห้า อินทรีย์เกี่ยวกับการรับรู้แล้วก็กจิตเป็นอินทรีย์เกี่ยวกับการรับรู้อในฐานะที่เป็นตัวรู้ประสาทในฐานะที่เป็นที่ตั้งของความรู้แล้วก็อินทรีย์เกี่ยวกับความดำรงอยู่ของชีวิตมันก็ไอ้ดำรงอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตยังไงมันก็อาจเป็นไปได้มันไม่ได้มีค่าแค่ว่ามีลมหมายใจอยู่แต่ว่าอินทรีย์หลังเนี่ยกลุ่มหลังเนี่ยเป็นอินทรีย์เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต คุณค่าของชีวิตตัวนี้มันมีเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งคุณค่าที่สำเร็จขึ้นมาจากกรรมคืออยู่ในวิบากอยู่ในวิบากที่พระเจ้าเมื่อจ ะ, อะโปรดสัตว์เนี่ยก็จะดูทะลุทะลวงเข้าไปถึงอินทรีย์เชื้ออินทรีย์อันหนึ่งแล้วก็ดูเลยเข้ามาถึงความแก่รอบของอินทรีย์แก่รอบนีหมายความว่าแก่รอบมันมีอยู่สองระยะอีกเหมือนกัน อย่างสมมติว่าคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งมีบา ร, รมีมีอินทรีย์แต่ว่าเขายังอยู่ในท้องเนี่ยถามว่าอินทรีย์แก่รอบมีอินทรีย์ไหมต้องตอบว่ามีมีพื้นฐานทางอินทรีย์แต่อินทรีย์นั้นยังไม่แก่รอบแม้ในขั้นที่หนึ่งคือแก่รอบที่จะเกิดออกมามีความรู้สึกหรือมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่จะทำให้อินทรีย์มันเกี่ยวหน่วงเอามาเป็นที่อาศัยจเจริญในคุณความดี ซึ่งมีอยู่สองระยะที่ว่าบางทีคือหนึ่งกระพุทธเจ้าจะกําหนดว่าคนนี้เมื่อเราไปแสดงธรรมหรือไปเดินให้เห็นเนี่ยจะเกิดศรัทธาขึ้นหรื อ, อยังนี่เป็นเป็นความแก่รอบขั้นที่หนึ่งความแก่รอบในขั้นที่จะรับสุตตะมยะปัญญารับจินตามยปัญญานะหรือบางทีก็เลยไป็นที่ว่ารับสมาธิรับบุญอื่นๆที่ยังไม่ได้หมายถึงขั้นบรรลุเรียกว่าอินทรีย์แก่รอบในขั้น ขั้นกลางหรือขั้นต้นในภาคปฏิบัติกับอีกขั้นหนึ่งก็คือแก่รอบพอที่จะบรรลุหรื อ, อยัง น, นี่สำคัญนี่สําคัญมากที่พระพุทธเจ้าจะทรงดูว่าคนนี้นะ่ะท่านจะดูเป็นสองสามระยะเลยอันหนึ่งคือคนนี้นะ่ะปฏิสนธิเป็นอาวอนไหมที่เรียกปฏิสนธิอาวอน อัตยาใสอินดีที่สั่งสมมานี่อันหนึ่งแล้วก็สองถึงเวลาที่จะทำงานกับธรรมะที่เราจะแสดงให้ให้ฝังเอย่ยงแล้วก็เมื่อสถาแล้วเนะี่ยบรรลุธรรมเยเเพราะฉะนั้นคนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเร่งด่วนที่สุดคือคนที่อินซีแก่รอบครบทั้งสามระยะสามจุดเป็นเรื่องเร่งด่วนมากแต่ว่าถ้าคนไหน แค่สองระยะก็ผัดวันประกันพุ่งได้แต่ว่าถ้าคนไหนยังแค่ระยะที่หนึ่งเนี่ยต้องรอรอรออะไรรอก็โตก่อนพูดง่ายๆว่ารอให้โตก่อนนะฮะตัวโตแล้วก็มาถึงใจโตอีกชั้นหนึ่งอีกแล้วถึงโปรดอันนี้ผมก็ถามว่าที่นั่งๆอยู่นี่อินรีแก่ถึงขั้นไหนแกเราขั้นไหน แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงจะสอบผ่านกันนะฮะแต่ว่าขั้นขั้นกลางก็เรียกว่าพอสอบผ่านแต่กลางกลางนีงยังมีหลายชั้นอีกเหมือนกันนะบางคนก็กลางขั้นสุดตักแต่ยังไม่ได้ทำสมาธิยังไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรมากนักบางคนก็ขึ้นไปทำกรรมฐานพอได้ยงได้ยานอะไรกันบ้างแต่ยังไม่ได้บรรลุส่วนที่จะมีบรรลุน่ะก็ถือว่าเกินวิสัยที่ผมจะพูดถึงได้ ก็อาจจะมีแล้วก็มีสิทธิทจะมีอ่นี่เป็นเป็นเรื่องของอินทสีที่อินทรีย์เหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยตามพลังของมันอย่างที่ว่านะจิตก็เป็นพลังทำให้เกิดการรับรู้และอินทรีย์ห้าก็แสดงพลังในในการเจริญธรรมถ้าถ้าเราพูดถึงนรพลังในการเจริญธรรมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ อวิบากปัจัยเมื่อกี้นะครับวิบากปัจัยเมื่อกี้เนะี่ยหมายถึงลักษณะพลังในชั้นขั้นพื้นฐานท่านอ่าทุนซึ่งมันมันยังไม่ชัดนะคล้ายๆว่ามีแววพลังแบบแววแววชั่วหรือแววดีก็ทั้งคู่แหละครับทีนี้พอมาถึงอินทรีย์ขั้นงานที่เกิดขึ้นจากความมันจะเป็นเป็นพลังที่อย่างเรานึกถึงว่าขณะที่เราทําสมาธิ จิตนี่เป็นวิปัสนาจิตแล้วก็ตัวนี้เป็นศรัทธาตัวนี้เป็นวิริยะตัวหนึ่งเป็นสติตัวหนึ่งเป็นสมาธิตัวหนึ่งเป็นปัญญาปรากฏอยู่ในขณะจิตทั้งหมดนี้เป็นเป็นอินทรีย์ห้าที่อยู่ในจิตในขณะที่บุคคลทําวิปัสนาเพราะนั้นถามว่ามันมี พลังไหมไอ้พลังขั้นหนึ่งคือพลังในตัวมันเองซึ่งพลังอันนี้มันจะเป็นของหนึ่งตัวเราเองเรารู้ว่าใจเราเป็นยังไงไอ้รู้แค่ไหนในเรื่องหนึ่งใช่ไหมยถ้าสมมติว่าเป็นพลังที่มันอยู่ในวิบากเนี่ยเรารู้ไหมฮะไอ้รู้วิบากนี่คนจะรู้ได้ต้องระดับแนวหน้านะแนวหน้าก็พระพุทธเจ้าหน้าเพื่อนแหละมองละทะลุเลย แปลว่าคนนี้นะไอ้อะไรข้างนอกข้างนอกที่โลกก็ดตีค่ า, า จ, จะว่ายังไงก็ตามท่านมองสะลุ ก, ก็ไปถึงขนาดทีน่นี้พอคนเข้ามาสู่กระแสท อ, อ่อพืชพันธุ์มันเริ่มได้รับปุ๋ยได้รับน้ำมีอาการจะเดินงอกงามงอกลากขึ้นมาเนี่ยมันนี่คือเป็นอินรีที่ออกมาทำงานเพราะนั้น เวลาที่คนคนนั้นเกิดศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาอยู่ในขณะปฏิบัติผมยกตัวอย่างกรณีปฏิบาททาัติทำกรณีกรณีอื่นก็ได้นะก็จะรู้สึกได้ใช่ไม่ใช่ถามว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างดูดดื่มรู้สึกได้ไหมตัวเองรู้สึกได้ไหมได้เกิดความสงบใสสะอาดขึ้นรู้สึกได้ไหมได้เกิดความเพียร ความเพียรคือรักที่จะทําความเบี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่าอะไเลยถึงแม้บางครั้งจะขี้เกียดบ้างนะคือมันไอ้สิ่งมันต่อสู้กันนะแต่เมื่อความรู้สึกนี้เกิดเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเพียรพยายามขยันทุกคนนะปุ่งเข้ามาไกันโอ้คิดจะทำํนทำน่นทํานี่ไอที่มันดีๆนะแล้วมันรู้สึกว่ามันมทำได้จะได้ไปด้วยทีจะทํำยัง ไ, ไงไงไอปัญญามันบอกเสียดมันชัดเจนอะไรอย่างนี้นะ มันก็เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นพลังอันนี้ล่ะครับมันก็เข้ามันอบอุ้มกันเองด้วยอันหนึ่งแล้วก็เข้าไปเน้นเจตสิกตัวอื่นๆที่เกิดร่วมสัญญาอย่างชนิดที่ทำงานจริงๆความจำก็ถามว่าแม่นขึ้นหรือขี้หลงที่ลืมขึ้นจำดีขึ้น ขี่หลงขี่ลืมน้อยลงนะฮะแม้เวทนาเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขก็ประนีขึ้นแล้วก็รู้จักเลือกเสพสุขดีขึ้นในในจำนึกของมันเนี่ยนะเห็นคุณค่าเข้าใจคุณค่าเจตสิกทุกอย่างทุกประการเนี่ยได้รับอิทธิพลของอิธีเหล่านี้ทำให้จิตเนเาเรียกจิตถึงมันเกิดไอคุณสมบัติ แบบเต็มเต็มเต็มเต็มขึ้นในความรู้สึกนั้นเลยเราเกิดจะว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกในขณะนั้นแล้วมีใครเข้ามาพูดชี้สภาวธรรมแต่ละตัวเนี่ยมันเจมไปหมดเพราะอันนี้เองใช่ไหมใช่เจตสิก้าติสองเนี่ยไล่แล้วมันเจมหมดชัดเจนหมดพูดถึงไอ้ความสุขว่าผู้อ่ ฝึกจิตแล้วจะได้ความสุขก็มันชัดเจนเชื่อเลยชัดเจนเลยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเลยเนี่ยพลังของอินทรีย์ทีีน้พลังของอินทรีย์ที่อยู่ในจิตเนี่ยผมถามว่าอินทรีย์ที่อยู่ในจิตนี้จําเป็นไหมว่าจะต้องมีกําลังเสมอกันารบางท่านที่ตอบเนะี่ยท่านตอบถูกในความหมายหนึ่งบางท่านสายหน้าก็ถูกในความหมายนึงอีกเหมือนกัน บังเออผมถามอาจจะก ร, รมกรมไปแต่กรรมกงก็ดีได้คิดหลายๆอย่างถามว่ามีจำเป็นไม่จะต้องเสมอการจำเป็นเนี่ยที่ท่านพยักหน้าเพราะว่าการเจริญความดีต้องทำให้ได้สัสดส่วนสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ได้สัสดส่วนด้วยนะในทางกำลังไม่ยิ่งไม่หย่อนแต่ที่ที่ปฏิเสธเนี่ยหมายว่ า, วา ความรู้สึกของเราเนี่ยในแง่ของข้อเท็จจริงเราไม่พูดอดไสมควรอันหนึ่งแต่ไอ้ที่มันเป็นจริงๆเนี่ยเราศรัทธาของเรากับปัญญาของเราเนี่ยเสมอกันเหรือเมื่อครั้งที่เรามีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยก็จริงไม่เสมอกันความเพียรกับสมาธิจําเป็นต้องเสมอกันหรือเมื่อความเพียรกับสมาธิเกิดด้วยกันมันไม่จําเป็นทีนี้ก็เลยถามว่า สิ่งที่อินทรีย์คือความสมดุลมันเป็นสิ่งควรเป็นแต่ความไม่สมดุลคือสิ่งไม่ควรเป็นนะเราเกิดอย่างควรเป็นหรืออย่างไม่ควรเป็นมากกว่าเราเกิดอย่างที่ไม่ควรเป็นมากกว่าในี่พูดถึงอย่างเรานะฮก็มันก็ไม่ค่อยสมดุลเพราะฉะนั้นการทำความดีของเราคือทำให้ครบแล้วก็ทำให้สมดุลให้เหมาะสม นี่คือภาระอันหนึ่งของเรานะผมอย่างว่าเราทำบุญกิยาวัตถุสิบเราต้องทำให้ครบแต่ว่าการจะทำให้สมดุนลนี่มันลำบากเด็ปัจจัยแตกต่างกันบางคนก็อาจจะให้ทานรักษาศีลแต่ทรมาสวนาไม่ได้บางคนก็ทำมาสวัสดนาก็ได้แต่ทำมาเทศนายังไม่ได้ออย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะขาดความสมดุลไปไอก็แต่ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ ก็ไม่แปลกอะไรเพราะพูุทธเจ้าเองเวลาเสวยพระชาติชาติหนึ่งเนี่ยถึงใช้เวลาชาติเดียวเนี่ยนะครับทำกุศบารมีบางอย่างเป็นหัวหน้าและบางอย่างที่เหลือลองลอง ล, อ ง, ลองไปแล้วก็ใช้เวลาชาติอื่นทำตัวอื่นเป็นหัวหน้าอันอื่นลองลอง ล, อ ง, ลองไปสมมติว่าท่านไปท่านเกิดเป็นพระเวสสันดร ท่านทำทานได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปไปเกิดเป็นช้างเป็นเป็นช้างปัจจญานาคทําทานได้ไหมล่ะก็ทําไม่ได้แต่เกิดเป็นช้างเนี่ยทําขันติบารมีได้หลายชาติเลยนะเขาตัดงวงตัดเออไม่ใช่งวงตัดงางช้างอยาดทันเนี่ยสร้างขันติบารมีก็ได้โอกาสในแต่ละชาติแตกต่างกันไปทีนี้อีกจุดหนึ่งของอินทรีย์เนี่ยเมื่อมันเป็นพลัง แก่กันและกันเองในขณะจิตแล้วก็เป็นพลังแก่รูปด้วยตรงนี้เขียนชัดกว่าวิบากจิตเลยครับคือที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่แก่จิตตัชรูปนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในตอนนี้นะเราไม่ได้เน้นภาษาบาลีอะไรกันมากเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูปเพราะนั้นบุคลิกลักษณะความเป็นไปของรูปที่ได้รับผลได้จากอินทรีย์ ที่เกิดอย่างในขั้นกลางหรือขั้นสูงเนี่ยเราจึงได้คุณกับคําว่าอินทรีย์ของท่านปองสใยนะพอะพูดถึงอินทรีย์อย่างในพระพูดเนี่ยท่านกลับมาพูดอินทรีย์หมายถึงอินทรีย์รูปผองใสตาผองใสผิวพรรณผองใสท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอันใดแต่ถ้าพูดเป็นภาษาอีย์ทั้งคู่พูดว่าอย่างนี้อินทรีย์รูปของท่านผองสใยนะ ท่านจเจริญอินทรีย์นามอะไรหรืออยู่ด้วยอินทรีย์นามอะไร่พูดให้เป็นภาษาอินทรีสังกุปเพื่อมันเห็นชัดกว่ากว่าไอ้ที่เป็นเรื่องของยถากรรมนะก็คือเวลาเราเกิดศรัทธาเนี่ย เวลาดูกรรมเนยดูเงี้ยวัลลักษณะของคนคนเนี้ยแม้นอนหลับอยู่แม้กําลังนั่งเฉยเฉยอยู่แนวโน้มของจิตหรือแนวโน้มของอินทรีย์ขั้นพื้นฐานยาหมาดูนะแต่มันก็ประเภทนั้นแหละนั่งกินข้าวอย่างงี้อ่ะคนนี้กระดิกเครียกขยมทั้งครัวเงี้ยนะกินข้าวหันมาศบตาแล้วยังไม่หายกระดิกเออเราก็มองแล้วก็มองแลเข้าไปถึงเออลักษณะพื้นจิตอะไรเขาเป็นยังไงยังไงตามที่เรานึกณะแต่เอาให้แนต้องตามดูต่อไปแต่ว่ามักไม่เคยพลาะ เพราะว่ามันเราเคยเห็นคนอย่างนี้มาพอสมควรทีนี้ว่าคนที่มีจริตไหลๆเนี่ยมันมันคืออาการที่วิบากจิตมันมันสัมแดงออกมาเนี่ยนะเขาถึงดูไปอย่างนี้ดูจากผลปรารูกเข้าไปหาจิตแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือผู้มีวาราจิตรู้วาราจีคงก็มองลึกเข้าไปเลยไม่ต้องเห็นตัวก็ได้เห็นรอยเท้าอย่างรู้เลยทีนี้ถ้าคนเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ย อาจารย์สอนกรรมาฐานเนี่ยเขาถึงดูกันออกเลยนะดูหน้าก็ออกเลยบางคนเนี่ยนะเชื่อไหมมองหน้าเวี่ยวลาสอบลงโผล่มาหน้ามารู้เลยได้ยินเสียงเดินรู้เลยว่าคนนี้อย่ามาเที่ยวให้ข้อมูลประเภทกันเกินเลยเขาไล่ทันเห็นเดินก็รู้ดูหิวพันก็รู้ อย่างเราเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่เรารู้คนนี้เขาเขาไปเข้าแล้วไปไปเข้ามากี่วันเนี่ยเรียงขอรู้เลยนะเพราะถ้าเข้ามากวันแล้วหน้าเป็นแบบนี้ผิวพรรณเป็นแบบนี้ถ้าเข้าน้อยวันแล้วเป็นอย่างนี้นี่พูดถึง ว, ว่าถ้าเขาเข้าจริงๆนะไม่มีไม่มีมมมมมไอ้ไอ้ข้อแปลนและคนนั้นเป็นคนที่เรารู้ระยะของเขาว่าไปถึงไหนนี่คือผลที่มันเป็นกิจแต่จะรูปที่ปรากฏออกมาพระอริยาถึงผ่องใส ก็เพราะเหตุนี้เกิดใจอินสี์พู้นี้ที่เป็นอินระยะปัจจัยตอนนี้มาถึงปัจจัยถัดไปฌานนับปัจจัยใจคือองค์ฌานองฌานเป็นปัจจัยหรือแปลว่าธรรมที่มีองค์ฌานเป็นปัจจัยและองค์ฌานที่กล่าวถึงอย่างในปัจฐานเนี่ยอาจจะแปลกกว่าที่ในพระสูตรที่เราพูดพูดกันท่านเอาองค์ฌานเก้าขยายองค์ฌานเป็นเก้าครับ กล่าเพราะว่าพูดเอาสภาวะปรมัดพูดจริงๆไม่ใช่กล่าวมันแค่ห้าแต่ว่าขยายเอาไปได้กล้าผนวกกล้าวไปเลยเพราะว่าวิตกเป็นองค์ชานวิจารเป็นองค์ชานปีติเป็นองค์ชานเวทนาเจตีเป็นองค์ชานโดยอชานขั้นต้นเป็นโสมนัสชานขั้นสูงเป็นโทมนัทนี่พูดถึงคนที่เข้าชานแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึง เอาทั้งฌานที่เป็นกุศลและอกุศลเออเหมือนอย่างเราพูดงมีฌาสมาธิมีฌาภาวนาสามาภาวนาเนี่ยอหลักอภิธรรมเขาพูาพดคือพูดไม่ใช่เอาแค่อภิธรรมเท่านั้นพูดหรอกในพระสูตรเองเนี่ยท่านก็จะพูดเป็นสองแบบมัสมามัคมีฌามัคมิจตัตาสามัตตาพูดคู่กัน แต่ว่าเวลาเราฟังอย่างพระสูตรหรือเอาพระสูตรมาแสดงเนี่ยเราเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ควรพูดควรปฏิบัติมาพูดไม่ได้พูดมุ่งในเชิงข้อเท็จจริงเราจึงพูดเฉพาะสัมมามัชมิมมัชฌิมไม่เอามาพูดเพื่อให้คนปฏิบัติแม้ฌานก็เหมือนกันแม้สมาธิก็เหมือนกันแต่พอพูดในเชิงข้อเท็จจริงอภิธรรเนี่ยเขาพูดในเชิงข้อเท็จจริง ไม่จริงข้อที่จริงต้องยืนข้อที่จริงทั้งหมดข้อที่จริงแบบทั้งหมดเอที่ที่พูดในทางปฏิบัติก็ข้อที่จริงแต่ข้อที่จริงแค่เพาะความประสงค์ในทางปฏิบัติดังนั้นองค์ชาญจึงเป็นความจริงอินทรีย์เมื่อกี้นะก็เอาทั้งอินทร์ทั้งชั่วด้วยนะเมื่อกี้มันมีอินทรีย์ชั่วแต่ว่าผมไม่ได้มาแยกพูดทางบิดาแจะวุ่นวายมากเกินไป อินทรีย์ดีมีอินทรีย์ชั่วมีถ้าสัต์ทินรีย์เป็นอินทรีย์ดีแต่ว่าถ้าเป็นมนอินทรีย์เนี่ยมีใจชั่วมีอินทรีย์ชั่วในนี้จิงว่าองค์ฌานที่เป็นเวทนาใดาเกิดในอกุศลได้ก็เป็นองค์ฌานชั่วที่อยู่ในกุศลจิตเป็นการเพ่งที่ชั่วฌานแปลว่าเพ่งถ้าที่อยู่ในกุศลจิตเป็นการเพ่งดีดียางเช่นสงมนัส โทมนัสอุเบกขาสามอย่างเนี่ยเกิดในอกุศลแจิตได้ใช่ไหมได้โลภะมีโสมนัสโธสะมีโทมนัสโมหะมีอุเบกขาโลภะก็มีอุเบกขาได้นี่ถือว่าเป็นการเพ่งที่ชั่วเป็นการเพ่งที่ชั่วไม่เป็นการเพ่งดีๆเหมือนที่เราพูดถึงประวัติของพระบางองค์ที่ท่านไปเจอพวกพวกปพุทธตาบะก็ดี ทำการเพ่งเพียนเผาก็ดีแต่ว่าเป็นการเพ่งเพียนเผาที่ผิดก็เลยกลายเป็นฌานชั่วสมาธิก็เหมือนกันมันก็มีดีมีชั่วเอกคตาที่เป็นองค์ฌานอันในนี้จึงพูดถึงสองอย่างวิตกก็มีวิจาวิตกสมาวิตกปีติก็มีทั้งปีติชั่วปีติดีปีติเป็นธรรมปีติไม่เป็นธรรมวิจัยก็มีมีความตรองผิดความตรองถูกทีนี้จะตรองผิดหรือตรองถูก เป็นต้นมันก็มีพลังไปตามค่าของความถูกความผิดนั้นในส่วนของความรู้สึกเองเวลาที่เราเอาง่ายๆเนี่ยว่ารู้ว่าเราจะหลับตาแช่งคนเนี่ยได้ัห ม, แ ช, หมแช่งได้ั้ยแช่งได้ผมเคยไปไปนอนวัด <c oughs> แล้วก็ของในวัดมันมีไอ้คนมาขโมยไปไอ <c oughs> ้เราก็ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ของเรา เราไปเห็นเข้าแล้วก็แหมอยากแคโกรธแทนวัดนี่เรา<ม>เราถึงความชั่วของตัวเองให้ฟังนิดนึงผมก็ไปเอาเอาเพียนเนี่ยมานั่งเพ่งเพ่งเราก็ไม่เห็นตัวขโมยนะเพง่งแต่ผมทําไปไม่ได้ตลอดเพราะนีเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะแกว่งเท้าหาเซียนอยู่ดีไม่ว่าดีมันเป็นบาปไหมเนี่ยไปเพ่งแบบเนี้ยบาปนะเลยเลิกเลยครับเพ่งไม่ได้ดีนั้นทนกับไอ้ความรู้สึกทางนี้ไม่ได้เลยเลิก หูกจะเพ่งให้มันรอนอนไม่หลับสักคืนก็เอ็นดวกรรมของวัดไงล่ะไอ้คนโมนก็บ้าไปเลยเลิกไมีใครจะทำไม่จะสอนนะแล้วทําได้จริงๆนะเพ่งเตียงก็ได้เอาเอาเหล็กมานั่งตีก็ได้ตีตีตีตีให้มันนอนไม่หลับกําหนดกิตนี่นึกหน้าไม่ดีมีรูปมาตั้งตีตีตีใส่หน้าครับ เดี๋ยวมันนอนไม่หลับนี่เล่าให้ฟังนะไม่ได้แนะนำสั่งสอนถ้าใครจะไปทำก็ยังมีเบนมีกรรมมาถึงผมเลยพรือว่าให้ก็ใหอคือทวามว่าใจระพาว่าทำแต่เมื่อความรู้สึกมันเป็นยังไงมันก็ออกมาทางบุคลิกทั้งทางดีทางเลวนะก็อันนั้นคนคนที่เป็นลือสีเนี่ยบุคลิกลือสีก็มี นะฮะคนปฏิบัติธรรมก็มีบุคลิกคนปฏิบัติธรรมเป็นบุคลิกติดตัวเลยในบางส่วนแล้วก็ไอไออาการจอนในบางครั้งตามความแอ่อ่อนของตาม ท, ที่ได้ mm. เป็นช่วงๆนึงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้ในทางชั่วงก็เหมือนกันเออย่างผมยกตัวอย่างเนีย่ยว่าผมก็ก็ชอบสังเกตอย่างคนที่เป็นคนพวกเล่นคาถาอาคมเนี่ยนะ เขามีพื้นนามาทีมกันแต่เป็นเรื่องชั่วแล้วบุคลิกลักษณะเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับมันจะไม่เหมือนกับอย่างเราเนี่ยนะ่ะถ้าจะทักพวกนี้บอกไม่คุณวันวันนี้คุณเข้าด้วยพิหารสมาบัตอะไรนอ้องหน้าตาคุณต้อก้าวเล้าหนุเดือดรับลมนมในต้องถามแบบนี้นะอไม่ไม่ถามเหมือนลานถามกันแล้วชื่อมี ปฏิสนธิกรรมจะรูปขึ้นมาด้วยเนี่ยนะ เ, เมื่อกี้ผมไม่มได้อธิบายฌานอะ่ะอินทรีย์ปัจจัยด้วยฌานปัจจัยด้วยก็เพราะว่าในขณะปฏิสนธิปรากฏเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีองค์ฌานในวิบากปรากฏอันนี้เราต้องขยายความนอกไปจากฌานคือนั่งหลับตาทด้วยน ะ, ะและมีอินทรีย์ ที่สำเร็จด้วยวิบากจิตคือปฏิสนธิขี่ปรากฏเพราะนั้นมันก็จะมีพลังทําให้ปฏิสนธิกรรมจะรูปของเราที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอย่างไรไปด้วยนี่แสดงให้เห็นว่ า, าพลังของของจิตขององคุณต่างๆที่อยู่ในสันดานะแม้ตั้งแต่ยางลงแล้วเนี่ยมันทำให้สลีละเล็กๆของเรานิดเดียวเนี่ยนะที่เราไม่รู้หรอกมันมีความแตกต่างเป็นอย่างไรอย่างไร ตั้งแต่เกิดเลยครับซึ่งเขาไม่รู้จะเอากล้องอะไรมาส่องให้ดูสู่เรารู้นะมองไม่เห็นหรอกถ้าทำมหาน่ะก็ถ้าในทางปฏิบัติธรรมในยอมรับกันว่าเป็นสิ่งเห็นได้แต่ว่าไม่ใช่สำหรับชาวพุทธทั่วไปอย่างชั้นเราเหล่านี้ล้วก็ถ้าเรามองอย่างยาวพาเนา็คือเพระคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็เห็นได้ใช่ไหมเด็กๆไอ้ตอนแาบอก ก็บงคนง่ายเทีนมันก็อย่างนะแต่พอโตขึ้นมาพูดได้เดินได้เล่นได้ก็ยิ่งเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นแววอะนะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมหยาบหยาเห็นแววที่มันสแสดงถึงลักษณะคุณสมบัติของปฏิสนธิจิตของคนเราไปเห็นคนมายาอ่อนเนี่ยรู้คุณสมบัติปฏิสนธิจิตของคนนั้นไหมอ่อนโดยกําเนิดนะรู้ รู้จากที่เราเรียนมานะไม่ได้รู้แบบเข้าถึงอย่างคนที่เขาปฏิบัติรู้แห่มรรคขปั จ, จใจมรรคขปัจใจซึ่งปกติอ ง, งมรรคเนี่ยเรารู้ว่ามีอยู่เพียงแปดแต่ว่านายพระสูตรเนี่ยแบ่งองค์มรรคเป็นสองส่วนมิฉามรรค ก, กสัมมามรรคมีแปดเท่ากันก็จริงแต่ว่าเมื่อจับองคธรรมที่เป็นสภาวะแล้ว มันไม่ได้เต็มแปดก็เลยยุบให้เหลือสภาวะจริงๆแค่เก้าเท่านั้นเองครับตรงนี้ก็ถ้าคนเรียนคุ้นๆกับพระวิธรรมแล้วก็ฟังง่ายหน่อยนะคือผมจะชี้ให้ดูนะเวลาแสดงคู่เนี่ยมิจฉาคู่กับสมัมมาทิฏฐิถ้ามิจฉาทีกับสัมมาทิฏฐิมีองค์ธรรมรองรับทั้งคู่สัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคือ อะไรเจตสิกปัญญาเจตสิกมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิเจตสิกมีองค์ทํารองรับใช่ไหมทิฏฐิเจตสิกจึงเป็นของมีจริงในการแยกแสดงเป็นข้อตรงข้ามขอระหว่างมักถูกกับมักผิดการนี้มาถึงสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะที่แปลว่าความดําริผิดดําริชอบมีผิด มีถูกและมีองค์ทำรองรับตัวเดียวคือวิตกเจสิกในตัวมันเองเนี่ยไม่ได้แบ่งหนึ่งออกไหมฮวิตกเจสิกมีหนึ่งแล้วมีสองมีหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมวิตกเจสิกโดยลักษณะนี่มันคือความตรึกส่วนจะผิดหรือถูกนั้นอยู่ที่ว่าเป็นความตรึกในจิตไหนไม่ต่างกันโดยลักษณะเพราะฉะนั้นเมื่อ พระพุทเจ้าสแสดงในพระสูตรเนี่ยเรียกว่าแสดงสมิจฉาสังกัปปะหรือสัมมาสังกปปะเนี่ยโดยไม่ใช่โดยลักษณะของสภาวธรรมที่มีอยู่ตัวเดียวแต่โดยชาติของวิตกว่าตรึกอย่างเป็นอกุศลวิตกนั้นก็เป็นบาปเป็นมิจฉาวิตกตรึกอย่างเป็นกุศลวิตกนั้นก็เป็นสัมมาวิตกเป็นข้างกุศลแต่ว่าองค์ธรรมคือวิตกเจตสิก คือข้อธรรมสองอย่างแต่ว่าร่วมองค์ธรรมเดียวกันสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาจีวาเจตสิกมีชื่อเราได้ยินมาแล้วถามว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาจีวาที่เรารวมเรียกว่าวิรติเจตสิกสามเนี่ยเป็นเจตสิกฝ่ายดีเท่านั้นใช่หรือไม่ อ่านี่ต้องถามก็ต้องเอาคนเรียนมาแล้วฟังมาแล้วนะเพรามไม่ได้เรียนได้ฟังก็อึดอัดหน่อยอ้าวไหนใครเรียนมาแล้วยกมือทีอ่ายกยากันนะยกเตีเตีเต้ยตอบว่าเป็นเจตสิก ข, ข่ายดีเขาท่านเลยใส่ชื่อดีลงไปเลยกับสัมมาแต่ว่าในองค์มรคนนั้นเวลาพูดถึงมรข้องข้ามเป็นมิจฉาวมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตามิจฉาจีวะ มันไม่มีองค์ธรรมรองรับมิจฉาวาจาไม่มีองค์ธรรมรองรับองค์ธรรมมันกลายเป็นอกุศลเจตสิกตัวอื่นไปที่ไม่ได้ชื่ออย่างนี้เช่นคนพูดโกหกเนี่ยถามว่าพูดด้วยอกุศลเจตสิกดวงไหนตอบว่าด้วยโลภะก็ได้ด้วยโทสะก็ได้คนทําการงานผิดฆ่าสัตว์เป็นต้นก็ด้วยโทโทสะอันนั้นด้วยโทสะ คนประกอบมิชาอาชีวะก็โดยโทสะก็ได้โดยโดยโดยมากก็โลภะนะก็เลยองค์ธรรมไม่ตายตัวแต่ว่าคนที่จะงดเว้นจากการพูดผิดเนี่ยเขามีเจตสิกทางานของเขาตัวเดียวคือสัมมาวาจาแม้ตัวอื่นก็จำนองนี้ก็เลยเในทางวิรราเนี่ย การแสดงธรรมหรืออธิบายข้อธรรมบัญญัติข้อธรรมตามพฤติกรรมอันหนึ่งกับบัญญัติข้อธรรมตามสภาวะธรรมอันหนึ่งบางทีโดยพฤติกรรมมีแต่ว่าโดยสภาวะธรรมรองรับตัวแก่นไม่นีมีแต่พฤติกรรมข้างนอกแต่บางตัวนะโดยพฤติกรรมก็มีและโดยสภาวะธรรมรองรับก็มีอยู่นําพอมาพูดสกัดเอาสารสาระออกมาเป็นตัวเนี่ย ไอ้อะไรที่เป็นแต่พฤติกรรมก็เป็นการลมพับไปไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีตัวรองรับเลยตรงนี้มักองค์มักดีกับชั่วซึ่งมันควรจะสิเป็นสิบแปดเนี่ยทําไปทํามาเลยเหลือแค่กาวมักผิดมีองค์ทํารองรับอยู่เอาเข้าจริงตัวเดียวองค์ทํารองรับแบบเอกเทศนะแบบเอกเทศเนี่ยถ้าเป็นวิตกงนี้ไม่เอกเทศเพราะมันผิดก็ได้ถูกก็ได้ ที่เป็นเอกเทศคือมิจฉาทิฏฐิส่วนที่เหลือนอกนั้นคือวิญญาะมีผิดมีถูกอันนี้ถือว่าเป็นองค์ธรรมกลางเป็นผิดก็ได้เป็นถูกก็ได้สติเจสิกนั้นถูกอย่างเดียวไม่มีมิชฉาทิฏฐิไม่มีมิจฉาเจสิกเป็นองค์ธรรมมันกลายเป็นเรียกเรียนแบบกุศลแต่ว่าไม่มีสภาวะรองรับเอกะะตา มีสภาวะรองรับแต่ว่าไม่เอกไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปเด็ดขาดเนี่ยก็เลยองค์มัคฝ่ายที่มีสภาวะเด็ดขาดเป็นของตัวเองเนี่ยมัคฝ่ายถูกมีปัญญามีสัมมาวาจาสัมมาคมธาสัมมาชีวาแล้วก็มีสติที่อยู่แค่เนี่ยที่เป็นเอกเทศนะส่วนที่เหลือ ไปเป็นเจตสิกกลางเป็นดีก็ได้เป็นชั่วก็ได้ที่ใส่สองวันเนี่ยนะมีอยู่สองตัวเอกตากับสังกัปปะส่วนเจตส่วนมิจฉามรตมีเจตสิกที่เป็นเจ้าของเรื่องผิดอยู่องค์เดียวคือมิจฉาคือทิฏฐิเจตสิกความเป็นผิดที่เหลือนอกนั้นไปร่วมกับอสมาธิไฟ เอกราตาไปร่วมกับสังกปะและอส่วนที่เป็นมิจฉาวาจาวิชาไม่มีสภาวะรองรับเลยคนเป็นเจตสิกฝ่ายกุศลตัวนู้นตัวนี้คนละเรื่องของเรื่องไปก็เลยไม่ได้ระบุยนี่ก็เลยโดยองคธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นมรรคขังขาเพราะฉะนั้นอํานาจมรรคตรงนี้จึงรวมถึงอคําว่าทางเนี่ยเราคงเคยได้ยินเนี่ยอภิธรรมตัวนี้เขาพูดในแง่นี้คร ก็ได้ยินว่าทางไปพร่มโลกทางไปนิพพานทางไปนรกใช่ไหมทางเจ็ดสายเนี่ว่าทางเ็ดสายซึ่งคําว่าทางเหล่าเนี้ยก็สืบสายมาจากที่พระเจ้าทรงตรัสมรรคอย่างระบบกว้างไม่ใช่มรรคจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่มรรคไปนิพพานมรรคในอริยาสัจสี่นั้เป็นเพียงจุดเดียวมรรคในส่วนกว้างเนี่ยก็เลยขยายตัวมรรคไปสู่นรกทําความชั่วก็เป็นมรรค ที่เป็นมิจฉาทิมักอย่างชนิดที่อย่างคนคนตรึกผิดในระดับผิดนี่มันมีหลายระดับเช่นว่าระดับตรึกกว่าจะขโมยเขาจะฆ่าเขาจะใส่ไลค์เป็นองค์มรรคที่พาไปนรกไปอาบายใช่ไหฮะแต่อีกคนหนึ่งตรึกกว่าจะไปที่ผ่านเสร็จแล้วก็ไป ไปทำกรรมฐานชนิดที่ไม่ไปนิพพานได้อย่างอย่างโภคุสีสมัยก่อนก็เป็นกุศลแต่ไปนิพพานเรียกว่าผิดจากนิพพานเปิดประตูนิพพานไม่ได้แต่ก็ไม่ผิดถึงก็จะพาลงไปสู่นรกนี่เป็นเป็นการแบ่งระดับชั้นขึ้นไปอย่างนี้ฉะนั้นความเป็นมรรคปัจจจยตรงนี้ก็หมายถึงว่าเส้นทางที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ย ที่ไอ้องคุณเหล่านี้มันพาเราไปทางไหนทางไหนก็ด้วยมักตัวไหนตัวไหนมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ระดับอารมณ์ที่มักนั้นคิดนึกพยายามจะให้เป็นไปตามความอยากให้เป็นไปได้ของตัวเองในทางปิดระดับไหนระดับไหนก็คือเส้นทางที่จะพาเราไปซึ่งซึ่งก็หมายความว่าเกิดได้พลังเบื้องต้นอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็ทำให้เกิดพฤติกรรมทางอิริยาบถ ที่อิริยาบทที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเดินแบบไปนรกก็ได้ใช่ไหมใช่ถามว่าเดินไปนเดินไปนรกเดินไปไหนเดินไปนิพพานก็ได้ใช่ไมครัเคยตั้งหัวเรื่องปาตกระถาเรื่องติวัดโพตอนไม่นานมันก็สปีแล้วมั้งตั้งชื่อเรื่องว่าเดออไปเดินไปนิพพานด้วยการ เดินจงกลมเยหรือเดินจงกลมบรรพานานเขาตั้งไงรก็ฟังเพื่อจะอธิบายเรื่องการเดินจงกลมแหละซึ่งคนก็หมายว่าจะไปนิพพานได้ต้องใช้เดียบทนั้นที่สําเร็จด้วยจิตหรือด้วยมัฟที่มีอยู่ในจิตเราในระดับนั้นเอแล้ววิ่งวิ่งไปนรกก็มีใช่ปะ วิ่งไปนิพพานมีบ้าไมหรอกก็มีก็เห็นเจโนนนะครับเอ อ, องคุริ ม, มา น, นวิ่งไปนิพพานที่พระเจ้าวิ่งนักนอนไปนิพพานก็ได้นั่งไปนิพพานก็ได้ก็ไปนรกก็ได้นอนไปนรกก็ได้ก็มีหลายอย่างอัวตัวอย่างเราเองเหมืกันนะนอนยังไงไปไปนรกอก็อมีเนี่ยเป็นข่าวบ่อยๆนอนไปนรกอะอกเดี๋ยวบอกไปดีจะเป็นการแนะนำดีกันนะ เอาคนสมัยก่อนนอนกันบ่อยนอนสูญญฟินเงี้ยนอนนอนเชียร์ยางอ่ะนี่ไอตรงปากน้ำมันมีไอไอบุ่งเวียนแล้วตรงกลางกาะ น, นี่เขาเขาทำเป็นไอห้องห้องน้ำสาธารนณะและเชื่อมนะครับว่าไอห้องน้ำตรงนี้คนไปตายปีละหลายคนไม่รู้ฮะตายเพราะอะไร ผมรู้จะไอ้ล่างขายซื้อเขาก็นั่งขายนะเขาก็เลยคุยๆบอกว่าเ้ยตายแล้วบอกเมื่อสองสา 2, วันนีตายแล้วเอ้ะเรางงไอ้ตายทำไมทำไมตายปรากฏว่าไอ้ไอ้พวกติดยาเสพติดนะครับมันไปเข้าห้องน้ำเพื่อเป็นที่อาศัยขีดยาไอ้บางคนก็ไปนั่งตายบางคนก็นอนตายอยู่ในห้องน้ำเคอ พบประตูแล้วตู้ประตูอีกเงียบจนกระทั่งไอ้คนเฝ้ามันรู้เลยครับที่มาให้มันรู้ไม่ศพหลายด้า น, นี้สงสัยจะศพท้อแ่อไม่น่าให้เข้านะแต่แม้ก็ยังว่าสิทธิมนุษยชนได้ทั้งสองบาทตรงนี้น่าจะเก็บพฤศจิบาคงให้เลยไปเป็นเปรอสุรกายกัอยู่ที่นั่นแะมาถึงดูปฏิสนธิจิตนิดน่ย ที่บอกปฏิสนธิกรรมันจะรูปอันนี้ก็คืออย่างกรณีของคนที่เป็นปัดชิมภรวิกษัตรเนี่ยนะคือคนที่มีชาติสุดท้ายคือถ้าพูดถึงว่ากรณีอย่างพระพูดว่าชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนี่ถือว่าอวดอุตรลีมนุษยธรรมนะเว้นแต่ว่าจะมีเจตนาไม่เจตนาท่นเองถ้ามีเจตนาจะอวดก็ก็เป็นเลยด้วยคําว่าชาติสุดท้ายเพราะคําว่าผู้มีชาติสุดท้ายคือใครท่านน่ะนะครับพระอรหันต์ สมัยก่อนเนี่ยพระโจดกันบ่อยไปฟ้องพุะเจ้าบ่อยๆบางองค์บอกว่าเอออาตมาไม่เกิดอีกแล้วนะผมไม่เกิดอีกแล้วครับพระที่ได้ยินไปฟ้องพระเจ้าบอลเนี่ยปวดอุตรลิมึงจะทำว่าเป็นพระหลานพระเจ้าก็เรียกไปสอบก็โดยมากจะเป็นพระหลานจริงๆสมัยก่อนนะ ปลาไปโจ์ไม่เข้าใจอันนี้พูดว่าเมื่อปฏิสนธิอย่างลงเนี่ยกรรมจะรูปที่เกิดนะเป็นอัธภาพของปัจฉิมพระวิสัชต์ด้วยคุณธมบัติของมรรคในวิบากปรากฏเป็นทุนเดิมอยู่เป็นหน่อเนื้อของความเป็นอรหันต์ปรากฏดิบในนั้นซึ่งอย่างเราก็คงไม่รู้แต่โดยหลักการนะพูดอย่างนั้นรันนี้พูดถึงปัจจัยต่อไปครับ สัมปายุตตะปัจจัยสัมปายุตตปัจจัยแปลว่าปัจจัยคือความประกอบหรือความประกอบเป็นปัจจัยหรือแปลว่าทำที่มีความประกอบเป็นปัจจัยแปลตามศัพท์แล้วก็ไม่ได้ความอะไรล่ะครับว่าประกอบประกอบแต่นี้ก็ถือเป็นศัพท์เทคนิคครับเป็นศัพท์เทคนิคที่เวลาได้ยินชื่อแปลนั้นต้องนึกเอาสภาวะว่าท่านหมายถึงพลังตรงไหน มันเหมือนกับชื่อชื่อโรคเนี่ยบางทีตั้งชื่อดูพอเรล่ากลายเป็นชื่อของคนที่เขาค้นพบนะอย่างโรคไอ้ที่ภากิสันเนี่ยภากิสันก็ฟังดูเล้วคนคนพบคือเขาชื่อภากิสันเคยเคยได้ยินใช่ไหมก็ฟังไปฟังมาเลยแหละนานๆก้าอหาจจะไม่ดีก็ได้นะ <c oughs> ซึ่ง มันเราพอได้ยินเราก็นึกถึงไอ้สภาพโลกมันคืออะไรทีนี้เรื่องของธรรมะนี่เหมือนกันบางทีชื่อเนี่ยไปกล่าวในลักษณะของความประชุมร่วมกันแต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรในในรูปศัพท์นะแต่ว่าคนที่คุ้นแล้วก็ฟังปุ๊บก็รู้อ๋อหมายถึง